ผลที่ผู้ปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนาที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับมีอยู่9ก้าขั้นด้วยกันเรียกว่ามรสีผลสีนิพานหนึ่งนี่คือผลที่จะปรากฏขึ้นตามลำดับถ้าผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพทธเจ้าผลนี้ก็แบ่งไว้เป็นสี่คู่บวกหนึ่งคือมรรคผลเป็นหนึ่งคู่มรรคผลนี้มีอยู่สี่คู่สี่ขั้นด้วยกันคือโซดาปฏิมรรคโซดาปฏิผล ขั้นที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งโสดาปิมคู่ที่สองสกิดาคามีมักสกิดาคามีผลคู่ที่สามอนาคามีมักอนาคามีผลคู่ที่สี่อรหัตต์มักอรหัตตผลและนิพพานเป็นเป้าหมายหรือเป็นผลสุดท้ายที่จะปรากฏตามมา นี่คือผลต่างๆที่ผู้ปฏิบัติทานศีลภาวนาจะได้รับครูที่หนึ่งนี่มักผลอะไรคือมกักมักก็คือการดำเนินการปฏิบัตออิในระดับปัญญา ในระดับปัญญาของภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีจิตที่ได้เข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วถ้าจิตยังไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิจิตจะไม่มีพลังที่จะละสังโยชน์ที่เป็นเครื่องพันธนาการให้จิตติดอยู่กับวัตตะสงสาร วัตวตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายผู้บำเพ็ญในเบื้องต้นจึงต้องจเจริญศีล ส, สมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิศีลก็ต้องอยู่ในระดับของศีลแปดขึ้นไปถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ศีลแปดศีลสิบ ศีลสองอยีบเจ็ดนี่เป็นศีลที่เอื้อต่อการได้สมาธิดังที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดไว้ว่าสมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วจะมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากก็คือสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธินี่เองจะมีอานิสงส์มากจะมีประโยชน์มาก พะจะเป็นผู้ที่จะอบรมปัญญาต่อไปปัญญาที่มีศีลปัญญาที่มีสมาธิอบรมดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากมมมา ก, ก็คือปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิเรียกว่าภาวนามายะปัญญา จะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะละสังโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้แล้วปัญญาที่ว่ามีอา น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากนี้เป็นเพราะอะไรเพราะปัญญาจะเป็นผู้อบรมจิตจิตที่ได้รับปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจาก ความทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้ามีภาวนาไมยะปัญญาแล้วคอยดูแลรักษาจิตใจก็จะสามารถทำลายสังโยชน์ต่างๆที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้ปัญญามาอบรมจิตจิตก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว คือได้บรรลุถึงผลขั้นต่างๆที่มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีแต่จะต้องมีมรรคเป็นผู้ที่ทำให้เกิดผลขึ้นมามรรคทั้งสี่ขั้นนี้ก็มีมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ศีลก็ระดับศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดขึ้นไปสมาธิก็ระดับอัปปนาสมาธิปัญญาก็ระดับภาวนามายปัญญาถึงจะสามารถละสังโยชน์ต่างๆที่ผูกพันจิตให้ติดอยู่ในขั้นต่างๆได้ขั้นแรกที่เรียกว่า โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลการเจริญโสดาปฏิมักก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมาละสังโยชน์สามข้อที่เป็นตัวผูกจิตของผู้ปฏิบัติให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบคือหนึ่ง สกายาทยิฏฐิความเห็นว่าขันห้าคือร่างกายและเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยทำให้มีความอยากคอยที่จะปรับเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเรา พยายามปรับร่างกายให้เป็นไปตามความอยากของเราโดยที่มองไม่ได้มองความจริงว่าปรับไม่ได้เพราะว่าร่างกายกับเวทนานี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำนมไฟที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใคร ก็ไม่มีใครสามารถที่จะปรับให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไม่สามารถปรับร่างกายให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้ามีความอยากจะปรับก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาก็จะไม่ปรับ จะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นไปตามธรรมชาติเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าก็คือเวทนานามขันก็คือเวทนาร่างกายก็คือรูปประขันส่วนสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้มันมาพร้อมๆกับเวทนาเราพิจารณาตัวเวทนาตัวเดียวแล้วมันก็ ปล่อยวางเวทนาได้มันก็ปล่อยวางสัญญาสังขารวิญญาณได้พร้อมๆกันนี่คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ผู้ปฏิบัติที่ยังไม่มีปัญญาจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็จะมีความรักมีความหวงมีความผูกพันมีความยึดติด มีความอยากที่จะรักษาขันห้านี้ให้อยู่กับตนไปนานๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษามันได้ไม่สามารถรักษาให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่ตายได้ไม่สามารถรักษาให้เวทนาไม่ทุกได้ให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายและเวทนา เวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบกับร่างกายบางทีก็เวทบางทีก็สุขเวทนาบางทีก็ทุกขเวทนาบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวทนาเปลี่ยนไปสา ม, สามอย่างเปลี่ยนไปสามหน้าร่างกายก็เปลี่ยนไปตามวัยจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้แก่ อยากผู้แก่ก็เป็นผู้ตายถ้าเห็นด้วยปัญญาระดับภาวนามยปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาร่างกายแก่ก็ปล่อยให้มันแก่ร่างกายตายก็ปล่อยให้มันตายอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ปล่อยให้มัน ทุกไปเพราะเปลี่ยนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้พอเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยได้ก็จะละสังโยชน์ก็สกายะทิฐินี้ได้ออตอนนี้ฝนมาแล้วคิดว่าจะต้องมีการโยกย้ายตามธรรมชาติห้ามฝนไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ ช่วยเก็บเสือด้วยนะเพราะว่ามันเดียวมันเปียกเราจะต้องมาเพึ่งมาตา ก, กันมีสองที่ศาลาสองชั้นกับศาลาเล็กที่อยู่ตรงนีอ้อยากจะเข้ามาที่หลังไหนก็ขอเชิญเข้ามาได้ที่บาช่วงนี้เราคงจะยังพูดธรรมะไม่ได้ขอพักสักเดียว ให้เรานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเราให้ผลหยุดก่อนแล้วค่อยพูดธรรมะต่อไปตอนนี้เรามาเจริญสมาธิกันเจริญสติกันให้ได้อัปปนาสมาธิกันให้จีดรวมเป็นปุเบขาสักแต่ว่ารู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจริญปัญญากันต่อ อนนี้มาจเจริญสัปปนาสมาธิกันใช้กรรมบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าบริกรรมก็บริกรรมพุทธโธไปถ้าอยู่กับคําบริกรรมไปถ้าดูลมหายใจก็ดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ต้องบังคับลมลมจะ เข้าก็รู้ว่าเข้าจะออกก็รู้ว่าออกจะสั้นหรือจะยาวก็รู้ไปตามความจริงจะหยาบหรือละเอียดก็รู้ไปให้รู้เฉยๆบางท่านจะใช้พุทธเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโท อ, อันนี้ก็เรียกว่าพุทธเข้าโทออกออบางท่านอาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ พรยังไม่มีสติกําลังพอที่จะดูลมหรือที่จะพูดโทก็ให้นั่งกันไปก่อนทําใจให้สงบไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอฝนหยุดแล้วเราจะมาสนทนาธรรมกันต่ อ, อตอนนี้ฝนก็ใกล้จะหยุดแล้วพอที่จะทํากิจกรรมต่อไปได้ ก็คิดว่าจะอนุโมทนาให้พรกับญาติโยมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติโยมนำเอาเข้าวของที่ต้องการจะถวายเข้ามาถวายแล้วต่อจากนั้นก็ยังถ้ามีเวลาก็จะสนทนาธรรมกันต่ออีกช่วงหนึ่งยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุระอินติสาคารัง เอวเมวะอิตูทนังเปตันังอุปกปติอิิตังปะทิตังตุมหังคิเมวะสมิจยาโสัพเพปเรนสังกปาจันโทปนะรสโยทามนิโชติรัสโยทาสัพพิติโยวิวัจันสัพพรโค มัสสตมาเตภาวตวันตรายูสุขีทีคายุโกผวะมภิวาธนสีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารทธมมมวัทัานติอายุวันสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็จะเปะิดโอกาสให้ญาติโยมได้ถามคำถามในทางปฏิบัติถ้ามีใครสงสัยวิธีการปฏิบัติอย่างไรมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะของดตอบปัญหาหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวจะใหะ้ผู้ดำเนินการ เอาคำถามที่ญาติโยมติดตามถ่ายทอดสดทางเฟ e บุ๊กกับยูทูบส่งข้อความคำถามเข้ามาให้เอามาอ่านถามได้ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ใถ้วยใกล้ๆปากเลยกับเรีนพระอาจารย์ฮะอาการของอัปปนาสมาธินี่มันมีอะไรบ้างมันเหือนตกหลุมตกบอ่อแล้วก็เน่งเฉยสบายไม่ อะไรกับร่างกายไม่อะไรกับอะไรทั้ง น, นเอนมันเบามันสบายมันอิ่มมันพ อ, อมันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอตอนนั้นร่างกายจะเจ็บยังไงก็ไม่เดือดร้อนอแต่รู้สึกใช่ไหมครับบางทีก็รู้สึกบางทีก็หายไปเลยบางทีแยกกันนะร่างกายหายไปเลยบางทีก็อยู่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยมันเป็นไปของมัน เจ็บยังไงปวยยังไงมันก็ไม่มากระทบกระเทินใจในขณะนั้นใจเบาใจอิ่มใจสบายแล้วอาการก่อนถึงอั ป, ปนาหระครับ <c oughs> ก็พุทโธพุทโธไปเลยพุทโธไปดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆอย่างอื่นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปหรือดูลมไปอย่างเดียว <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็จะพาไปสู่ความสงบความนิ่งความสบาย แล้วพอจิตมีความสงบเป็นความสบายก็จะมีพลังออกมาจากสมาธิก็สามารถใช้ความสงบความสบายนี้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาโลภ ก, ก็เฉยได้เวลาอยากก็เฉยได้เวลาโกรธก็เฉยได้หยุดมันได้ น, นี่คืออาการของพลังครอยากจะถามไหย ไม่มีให้คุณต่อตอนนี้ช่วงนั่งสมาธิคงยังไม่มีใครเข้ามาดูมั้งมีไหมมีร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนนะก็คง ค, นนะคงได้นั่งนั่งสมาธิด้วยกันนะที่อยู่บ้าน อ, อันนี้นั่งเกือบหนะ้าสิบตั้งห้าสิบห้านาทีคำถามทางบ้านก็ส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับออกมาแล้วนะครับ คำถามจากคุณ KNVB นะครับมีเรื่องสงสัยจะเรียนถามเกี่ยวกับการอุทิศบุญพอดีเคยได้ยินมาว่าเวลาทําบุญให้อุทิศบุญให้กับตนเองและเทวดาประจาตัวด้วยหากเราอุทิศบุญให้แก่คนอื่นโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่ผูกเวรกับเราโดยไม่ได้อุทิศบุญให้กับตัวเองเขาจะมีกำลังมากขึ้นจากบุญที่เราอุทิศให้แล้วเขาสามารถจะกลับมาทาร้ายเราได้อันนี้จริงแท้แค่ไหนครับ อันนี้รู้สึกว่าพูดโมเมไปมากกว่าคือพวกที่เราจะอุทิศบุญได้มีพวกเดียวก็คือพวกเปรตพวกที่เขาเวลาเป็นมนุษย์เขาไม่มีเวลาทำบุญเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วก็ทำบาปเวลาหาเงินก็ทำบาปพอตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตพวกเทวดาเขาเป็นพวกมีบุญเขาไม่ต้องมารอรับบุญที่เราอุทิศไป บุญที่อาทิตย์นี้เป็นเหมือนบุญเงินที่ให้ขอทานเทวดานี่เหมือนเศรษฐีก็ไม่ต้องมารอรับเงินที่ให้ขอทานเะฉั้นผู้ที่จะรอรับได้ก็พวกเปรตที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณ น, นี้เท่านั้นพวกเจ้ากรรมในเวรนี้ก็ไม่มีหรอกเจ้ากรรมในเวรก็คือผู้ที่เราไปทําให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในที่ไหนถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาก็ไม่มารอ รับส่วนบุญของเราถ้าเขาเป็นมนุษย์เราก็ต้องไป เ, เราก็ต้องไปให้เงินให้ทองเขาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาไปเช่นเราไปทำอะไรเสียหายาขับรถทำให้รถเขาเสียหายถ้าเราไม่อยากให้เขาจองเวรจองกรรมเราเราก็เอารถไปซ่อมให้เขาทำอะไรให้เขาพอใจพอเขาพอใจเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมไม่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรครับเรา ดังเวลาทําบุญนี้อุทิศได้พวกเดียวก็คือพวกเปรตคือพวกคนที่ตายไปแล้วเช่นบิดามารดาผูยา้ย่าตายายที่เรารักเราเคารพแล้วเราเป็นห่วงข่วงว่าเขาอาจจะไม่มีบุญอาจจะเป็นขอทานอยู่เราก็อุทิศไปให้กับเขาความจริงแล้วสมัยก่อนนี้เขาจะอุทิศบุญก็สําหรับผู้ที่มาขอจริงๆเช่นคนตายไปเข้ามาเข้าฝันอย่างนี้น มาเข้าฝันบอกว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นเน่ยเราก็ทาไปส่งไปให้เขาถ้าเขาไม่มาเข้าฝันเขาไม่มาติดต่อกับเราแสดงว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ออกทิ้ทศับประสาทไปคือพวกที่เป็นเปรตพวกที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราก็ถือว่าเป็นขอทานเวลาเราไปไหนมาไหนเห็นขอทานบางทีเราก็สงสารเขา เราก็ให้เงินทองเขาไปตามความเหมาะสมกับฐานะของเขายังไงเวลาเราทำบุญเรามีบุญที่จะแบ่งให้กับขอทานได้ถึงแม้จะไม่เป็นญาติของเราเราก็อุทิศไปก็ได้หรืออุทิศไปแบบทั่วๆไปขอให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังอยู่ในสภาพที่ต้องการบุญนี้ก็ขอให้มารับส่วนบุญนี้ไปนี่คือการอุทิศบุญ คำถามจากคุณ p j นะครับขณะนั่งสมาธิจำเป็นต้องนั่งตัวตรงตลอดหรือเปล่าคะและถ้าเรารู้สึกว่านั่งตัวไม่ตรงตัวงอเราจะค่อยๆขยับตัวให้ตรงแต่เราพิจารณาไปด้วยรู้ตัวตลอดได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกถ้าทำอย่างนั้นก็จิตก็จะไม่สงบจิตก็จะมายุ่งกับเรื่องของร่างกายเวลานั่งนี้ตอนต้นเราก็นั่งให้มันตรงให้มันดีที่สุด แล้วพอเรานั่งไปแล้วมันจะงอมันจะเอนยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้เราอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆของร่างกายเพราะถ้าเรากลับมาสนใจมายุ่งกับร่างกายเราก็ไม่ได้ปล่อยจิตจะสงบได้ต้องปล่อยร่างกายจิตจะเข้าสมาธิคือจิตกาลังจะแยกออกจากร่างกายนั่นเอง การนั่งสมาธินี่เพื่อแยกกายออกจากใจออกจากออกจากจิตถ้าจิตยังไปคล้องแวะอยู่กับเรื่องของร่างกายจิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบไม่แยกออกจากร่างกายดัยงนั้นเวลาเรานั่งตอนต้นเราก็ตั้งตัวให้ตรงแล้วพอเราเริ่มภาวนาพุทโธเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของร่างกายต่อไปมันจะคันก็ไม่ต้องไปสนใจน้ำลายมันจะไหลออกมาอยากก็อย่าไปเกินมัน อย่าไปยุ่งกับร่างกายให้ยุ่งอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะปล่อยวางร่างกายได้มันก็จะไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายใจสงบแล้วใจก็จะไม่กังวลไม่มีอะไรกับร่างกายอยู่กับความสงบอยู่กับความเบาความสบายความอิ่มความพอความสุขมากๆอยู่ที่การทำใจให้สงบนี่ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับเมื่อก่อนเน้นหนักเรื่องทําทานแต่ถ้าเริ่มรักษาศีลแปดและปฏิบัติภาวนามากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ออกบวชและยังหาเงินทองอยู่ต้องทําทานให้มากเหมือนเดิมไหมคะหรือทําได้แต่ไม่ควรกวนเวลาภาวนามากเกินไปเอ่อถ้าถ้ายังพอมีเงินจะทําอยากจะทาก็ทาได้ไม่ทาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรา การภาวนาเนี้เป็นการสร้างบุญที่ใหญ่กว่าการทำทานการทำทานเหมาะกับผู้ที่ยังไม่ได้ภาวนายังต้องอาศัยบุญที่ได้จากการทำทานอยู่แต่ผู้ที่ภาวนาแล้วนี้จะได้บุญที่เกิดจากการภาวนาจะทำทานก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่ว่ามีโอกาสมีเงินทองที่จะทำหรือไม่ บางทีผู้ภาวนานี่จะไม่ได้หาเงินหาทองแนละ้วเพราะจะไปภาวนาเช่นพระนี้ก็จะไม่ทำทานแล้วพระก็มีแต่ภาวนาอย่างเดียวจะคุณพานใหญ่นะครับผมอยู่ขอนแก่นใกล้อุดรในไม่กี่วันจะมีการพระราชทานเพลิงหลวงปู่พระอุดมยานนโมรี ใจจริงผมอยากจะไปกราบแต่ใจหนึ่งก็ไม่ชอบความวุ่นวายคนเยอะถ้าผมไม่ไปเพราะคิดว่าคนเยอะวุ่นวายจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกกราบที่ไหนก็กราบได้แล้วกราบพระพุทธเจ้าไม่ห็ต้องไปอินเดียเลยใช่ไหมเราอยู่ที่นี่เราก็กราบพระพุทธเจ้าได้เราจะกราบไทยเราก็กราบที่ตรงนี้ได้ส่งจิตเราไปถึงท่านมันก็ถึงแล้วแหละมันไม่ต้องเอากายไปนั่งอยู่ที่หน้าศพท่านหรอกถึงจะได้กราบท่านจากคุณ ทัชพันธ์นะครับเวลาเราทําบุญแล้วอุทิศบุญกุศลส่วนกุศลถ้าเราฝึกวางจิตอุทิศให้โดยไม่ขอให้ตนเองฝึกเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับหรือผู้ขอทําถูกแล้วใช่ไหมคะคือการให้ก็เป็นการฝึกเสียสละให้เราละความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆให้เรามีเพียงพออยู่ได้พ อ, พอมีพอใช้ก็พอแล้ว ถ้าเรามีมากกว่านั้นเราก็จะไม่เก็บเอาไว้เราก็จะเอาไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นตอนนี้คําถามยังไม่เข้ามาครับใครอยากจะถามไว้ในนี้นครับเพื่อทราบเราจะกลับเลยไนดะ้ว่าคาว่าพบูมพบภูมิพพมนะฮะกับมิตินี้มันเป็นความหมายอันเดียวกันหรือเปล่าครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันะ พบก็คือชาติที่เรามาเกิดกันเห็นตอนนี้เป็นมนุษย์ก็หนึ่งพบเดี๋ยวตายไปไปเป็นเทวดาก็อีกหนึ่งพบไปเป็นเดรัจฉานก็อีกหนึ่งพบเนี่ยพบชาติเป็นอย่างนั้นมิตินี่เราไม่ทราบเขามิตินี่มันเป็นคำกลางๆมันพูดได้หลายอย่างหนังสามมิติสามมิติก็ทางทางวิทยา ศ, าศาสตร์ก็หมายถึงความสูงความกว้างความลึกสามมิติ ถ้าดูทีวีนี้ก็แค่สองมิติมีแต่ความกว้างกับความาสูงแต่มองไม่เห็นความลึกแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหนังสามมิติถ้าสายแว่นเข้าไปก็จะเห็นความลึกด้วยการคําว่ามิติก็คือเนี่ยเป็นคําที่เขาใช้เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ทางพุ ท, พทธศาสตร์นี่เราใช้คําว่าพบชาติพบชาติอพบชาติ ตอนนี้เราได้พบของมนุษย์ได้ชาติของมนุษย์ <Yeah. S 1> เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปใจเราก็ไปเป็นเทวดาถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีล <Yeah. S 1> ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างที่เรานั่งเมื่อกี้นี้ได้นานๆ <Yeah. S 1> เราก็ไปเป็นพรม <Yeah. S 1> แล้วถ้าเราเจริญปัญญา <Yeah. S 1> เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปเป็นพระอริยเจ้ากัน ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เข้าไปพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโสดาปฏิมาตรกับโสดาปฏิผลมีความแตกต่างกันตรงไหนครับมักก็เป็นทางเดินผลก็คือจุดหมายปลายทางของทางเดินเช่นเรียนเรียนปริญญาตรีก็ต้องเรียนสี่ปีเรียกว่ามักการเรียนสี่ปีนี้กําลังเจริญมกัก แล้วพอจบปีที่สี่ก็ได้รับปริญญาปริญญาก็คือผลโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์สามสักกายทิฏฐิวิจิตกิจฉาสีลพัสสะปรามาตพอละทั้งสามนี้ได้ก็จะได้เป็นโสดาบันจะละได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้กมจัดสังโยชน์ แล้วขั้นต่อไปกับขั้นสกิรดาคามีก็ต้องจเจริญมักที่เกี่ยวกับอสุภะเพราะว่าพระสกิว่าจะต้องกำจัดการมราคะคือการอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ต้องดูร่างกายของผู้ที่เราอยากจะเสพการว่าไม่สวยงามดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูเวลาผ่าศพนี้จะเห็นอวัยวะ ต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วมันก็จะทำให้ดับกามอารมณ์ได้สาหรับพระสกิรดาคาเมนี้ก็ทำให้เบาบางลงก็ยังไม่ได้กำจัดร้อยเอร์เซ็นต์กำจัดได้ห้าสิบห้าสิบบางเวลาก็ยังเผลอก็ยังเห็นว่าสวยอยู่บางเวลาไม่เผลอมีสติมีปัญญาก็เห็นว่าหน้าเกลียดไม่สวยงาม แต่พอขั้นขึ้นขั้นที่สมคือพรันนาคามีก็จะพิจารณาเห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายตลอดเวลาร่างกายใครจะสวยอย่างไรแต่งตัวอย่างไรก็จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยเป็นเหมือนตาเอ็กซเรย์เห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆมันก็จะทําให้ความอยากจะมีเพศสัมพันธ์นี้หายไป ผ้านาคามีก็จะตัดเพศสัมพันธ์ได้หมดไม่มีความรู้สึกใครจะแต่งตัวสวยยังไงใครจะเป็นดาราเป็นนางงามหรือเป็นอะไรก็ดูแล้วก็เหมือนกันหมดถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วมันเหมือนกันหมดนี่คือพผ้านาคามีส่วนผ้าอรหันต์ผู้ที่จะไปเป็นผ้าอรหันต์ก็ต้องไปลับสังโยชน์อีกห้าข้อ คือความติดในรูปฌปานความติดในอรูปฌปานความติดในตัวตนอัตตาตัวตนคือมานะความหลงในในในจิตในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในจิตที่ละเอียดที่วิเศษว่าคิดว่าเป็นของแท้ของจริงความจริงก็ยังเป็นตายรักอยู่เป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตายอยู่ เดว่าวิชาการไม่เห็นการไม่เห็นตายรักษณในในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในจิตที่ละเอียดนั้นพอเจริญปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นตายรักษณ์ทั้งหมดอรูปประชานก็เป็นตายรักษอรูปประชานก็เป็นตายรักมานะก็เป็นความหลงความจริงไม่มีตัวตนมีแต่ตัวรู้ตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนอก็ สภาวะที่สุกสุดยอดที่มีอยู่ในจิตตอนนั้นก็ยังเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะปล่อยวางไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นเวลามันเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปจิตก็จะหลุดพน้นจากสังโยชน์ทั้งหมดแล้วก็จิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าก็จะไปอยู่ในนิพพาน ไปที่ที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปมีแต่บรลมะสุขนิพพานังปรมังสุขขังจิตไม่ได้หายไปไหนจิตพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนจิตของพวกเราที่ตอนนี้ยังอยู่กันแต่จิตของจิตของพระพุทธเจ้าอยู่แบบบรลมะสุขแต่จิตของพวกเราอยู่แบบบรลมะทุกทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกันอยู่เรื่อยๆทุกกันแทบทุกวัน เราอยู่กับจิตเรายังเป็นบรมมทุกอยู่เราต้องเปลี่ยนจิตที่เป็นบรล ม, มทุกนี้ให้เป็นจิตที่บาร ม, มาสุกโดยการกำจัดเหตุที่ทำให้เกิดบรมมทุกก็คือกิลเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆพอกำจัดได้ด้วยปัญญาจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเข้าใจไหมครับะาการฝึกการเห็นอย่างนั้นต้องเริ่มต้นฝึกมัน มาจากสัญญาหรือว่ามาจากอก็ต้องใช้สัญญาก่อนดูไปดูไปดูป่าชา้าไปเยี่ยมป่าชา้าไปดูศพเนี่ยว่าร่างกายของเราต่อไปมันจะต้องเป็นอะไรเป็นศพไหมมันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมเราห้ามมันได้ไหมห้ามไม่เป็นศพได้หรือเปล่าห้าไม่ได้ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะมันต้องตายแน่นอนพอเราปล่อยมันได้ปล่อยมันตายได้เราก็หลุด จากความทุกข์ของที่มีกับความความตายได้ความเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็ให้มันปล่อยมันเจ็บไปมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันหายของมันเองได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเหมือนฝนเนี่ยเราไปสั่งมันห้ามมันไม่ได้ฝนเวลามันตกก็ปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็หยุดตรงมันเองเราไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปทาอะไรถ้าไปอยากให้มันหายเดี๋ยวมันไม่หายก็ทุกข์ขึ้นมหม ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยปล่อยความเจ็บปล่อยความตายแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปอ น, นี่คือการเจริญมรรคแสดงสัญญาณนานๆก็อาจจะเป็นปัญญาได้ไหมครับก็เวลาไปใช้ในใช้การแก้ความแก้ตัญหาก็กลายเป็นปัญญาพออยากไม่ตายพอพอสัญญาบอกว่าต้องตายอแล้วยอมตายมันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมา แสดงถ้าเราเกิดปัญญาตรงนั้นโดยที่ไม่มีสมาธิเข้ามารองรับนี้มันจะ ก, ก, ก็โกยเท่านั้นเวลาจะเจอความตายก็โกยทนั้นถ้าไม่มีสมาธิวิ่งหนีเจอเสือก็วิ่งถ้ามีปัญญาก็ให้เสือกัดจะยังไงจะเอาโกยหรือจะให้เสือกัด <c oughs> ถ้าโกยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าให้เสือกัดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะไม่กลัวตายไม่อยากจะมีร่างกายแล้วทิ้งร่างกายเพราะแม่ร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายแล้วอ่ะท่าาไปจับทาง YouTube นะครับจับคุณวีรพรนะครับเราข้อที่หนึ่งเราจะปฏิบัติกับคนที่เอารัดเอาเปรียบสร้างความเสียหายให้กับเราทั้งในแง่ทรัพย์สิน และชื่อเสียงที่เขาเอาเราไปพูดในแง่ที่ไม่ดีอย่างไรคะก็ปล่อยเขาไงก็อยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปถือว่าเป็นเวนเป็นกรรมขอเราเขาอาจจะเป็นเจ้าเจ้ากรรมนายเวนเราเราอย่าไปต่อต่อก ร, รต่อโต้เพราะมันจะเป็นการสร้างเวนสร้างกรรมกันต่อไปถ้าเราจะอยากจะหยุดกรรมก็ปล่อยให้เขาทาไปเราก็ป้องกันในส่วนที่เราป้องกันได้ส่วนไหนเราป้องกันได้เราก็ป้องกันไป ส่วนที่เราป้องกันไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราก็แล้วกันเขาจะเอาไปได้ก็ปล่อยให้เขาเอาไปตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเขาตายไปเขาก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วมาฆ่ากันมาโกรธมาเกลียดกันทำไมกับของที่เอาไปไม่ได้ข้อที่สองแล้วการที่ปล่อยเขาเขาอยากจะอะไรก็ปล่อยหรือดัดนิสัยเขาเช่นแจ้งความข้อหารักทรัพย์เพื่อดัดนิสัย ไม่ให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอันไหนถูกต้องเหมาะสมหรือสองวิธีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรไบแจ้งความเขาก็โกรธแล้วเดี๋ยวเขาออกจากคุกมาเขาก็มาฆ่าเราก็ได้เพราะเรายัางไปทำให้เขามีความโกรธเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ไปทำให้เขาโกรธเขาได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขาก็จะเลิกมายุ่งกับเราอย่างพระมกขลานะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีอภิน ญ, ญาท่านมีอิทธิฤทธ ท่านสามารถที่จะทําให้ผู้ที่จะมาฆ่าท่านนี่ท่านสามารถที่จะหยุดเขาได้แต่ท่านไม่ใช้ท่านบอกว่าหยุดเข้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาต่อแต่ถ้าเขาได้ฆ่าแล้วเขาก็จะเลิกฆ่าเราเขาจะหมดเวนหมดกรรมกันไปะพระโมคคานะอัคคลส า, า, าวกของพระพุทธเจ้ายังต้องถูกเจ้าเจ้ากรรมนายเวนมาฆ่าเลยแต่ท่านก็ไม่กังวลเพราะท่านรู้ว่ายัางไงร่างกายก็ตายอยู่ดี ไม่ถูกเขาฆ่าก็แก่ตายไม่แก่ตายก็เจ็บตายมันก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบใช้เวรใช้กรรมมันดีอจะได้หมดหนี้กันไปพระอาจารย์ครัูคนนี้นจะเาเท่านี้หรือว่าจะต่อครับพระอาจารย์คิดว่าพอสมควรแล้วนะนอกจากญาติโยมเอาเอาเอเอ า, เอ า, เอาทำใครมีอย่างคํำถามว่าสองว่า พูดไกลๆใหม่หน่อยครับผมผมก็จะกราบถามพระอาจารย์นะครับในส่วนของเรื่องการทําบุญนะครับการทําบุญนั้นนะครับตรงนี้อยากทราบว่าการให้ทำบุญกับพระจริงกับพระปลอมตรงนี้แตกต่างกันอย่างไรหรือการให้หรือการทําบุญก็ถือว่าได้ทาบุญแล้วครับผมคือการให้นี่ได้บุญแล้วไม่ว่าจะให้พระจริงกับพระปลอมแต่ประโยชน์ที่เราได้ได้รับจากพระจริงพระปลอมมันจะต่างกันเพราะว่าเราจะได้ฟังธรรมจากท่านไง ถ้าไปทำกับพระจริงท่านก็มีธรรมะให้กับเราถ้าไปทำกับพระปลอมท่านก็ไม่มีธรรมะหรืออาจจะหลอกให้เราหลงไปกับเรื่องสายศาสตร์ไปนงกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราก็ได้นี่คือความแตกต่างที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยแต่ผู้ที่แต่การเสียสละของเราการให้ของเรานี้เป็นบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะให้ขอทานให้เดรัจฉานให้หมาให้แมว ก็เป็นบุญเหมือนกันคือบุญคือความสุขใจในการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอันนี้เหมือนกันทำกับพ่อแม่ที่บ้านก็ได้ก็ได้ความสุขใจพ่อแม่ก็เป็นพระ อ, อาหารของลูกๆอยู่แล้วถ้าอยากจะทำบุญกับพระก็ทำกับพ่อแม่ก่อนไม่ต้องออกไปทาไปหาพระจริงพระอรให้ลาบากใจเปล่า นอพอทํากับพ่อแม่เสร็จแล้วอยากจะได้ธรรมะนะตอนนั้นก็ต้องไปหาว่าพระแท้อยู่ที่ไหนต้องไปเหมือนกับไปซื้อเพชรเนี่ยเราจะไปซื้อแบบไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงใช่ไหมการจะไปซื้อเพชรเราก็ต้องไปถามคนว่าร้านไหนมันขายเพชรแท้เพชรปลอมแต่เพชรปลอมเราก็ไม่ไปซื้อใช่คลองถมเราคงไม่ไปซื้อเพชรแถวนั้นหรอกหรือนาฬิกาเนี่ยไปซื้อแถวคลองถมมันก็ได้แต่นาฬิกาปลอมโรเล็กโอเมกา้าอะไรนี่ยแต่มันของปลอม เรารู้ใช่ไหมของพวกนี้พระเราก็ต้องรู้พระแท้พระปลอมมันก็มีอยูย่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าศึกษาสะหน่อยค้นคว้าสักหน่อยสอบถามสะหน่อยเข้าไปใน Google ก็ได้สมัยนี้พระแท้พระปลอมูอ่มที่ไหนลองใส่เข้าไปดูเดี๋ยวก็มีคำตอบโผล่ขึ้นมาเยอะแยะให้คุณไปเลือกดูคุณก็ไปพิสูจน์ดูอ่าจุกิอคอนมีพออย่างอ่ามีข้างหลังอยากจะถามาพูดใกล้ๆหน่อย ถ้าเกิดปฏิบัติทำไปนานๆ น, นี่ระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แล้วแต่อันนี้เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคนที่อาจจะได้สะสมไว้ในอดีตชาติมาพอจิตสงบถ้าเคยระลึกชาติได้ก็จะระลึกได้ถ้าไม่ไม่เคยระลึกมาก่อนก็อาจจะระลึกไม่ได้แต่ไม่ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เป็นพระอราหารันต์แล้วไม่เป็นพระอราหันต์เป็นของแถมเป็นความรู้พิเศษ รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แล้ว อ, อระหว่างจิตวิญญาณกับผีเนี่ยมีจริงก็ผีก็คือจิตวิญญาณไงมีจริงไหยคะอ่าก็เวลาเราตายไปแล้วก็ไปเป็นผีนะจริงไม่จริงเนี่ยเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่แบบไม่มีก็เป็นผีเป็นเทวดาไปถ้ามีบุญก็ไปเป็นเทวดาไม่มีบุญก็เป็นผีเละล่อนขอทานเป็นผีก็คือเปรตไงผีที่เละล่อนก็คือเปรต พวกที่มารอแถววัดเนี่ยมาขอรอรับส่วนบุญเนี่ยพวกผีเร่ร่อนพวกขอทานเพราะเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำบุญเอาเงินไปเที่ยวกันเวลาหาเงินก็หาแบบทำบาปกันชอบโกงลักทรัพย์พ อ, อ, อ, อตายไปก็เลยไปเป็นผีไปเร่ร่อ น, เ ป, นเป็นจิตวิญเป็นเปรตแต่ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปตายไปก็ไปเป็นเทวดากันจนกว่าบุญจะบวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชแล้วก็ตัดกิเลสตัณหาได้หมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปคือกรรมนี่ต้องแก้ที่ตัวเราเองใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ต้องหยุดมนันนะกรรมที่ไม่ดีก็หยุดมนันกรรมที่ดีก็ทําไปอรู้ว่าทําบาปไม่ดีต่อไปนี้ก็อย่าไปทําบาปรักษาสี่ห้าให้ได้ต้องใช้กําลังความตั้งใจ ต้องใช้ปัญญาเห็นโทษของการทำบาปมันก็จะทำให้เราเลิกทำบาปได้แต่ก็ไม่สามารถว่าจะแก้ไขได้ในชาตินี้ทั้งหมดใช่ไหมคะคือกรรมเก่าที่ทําไว้ก็ต้องก็ต้องรอรับไปเหมือนหนี้เก่าที่เราไปสร้างไว้เราก็ต้องเราก็ต้องเคลียร์มันไปแต่เราไม่สร้างหนี้ใหม่มันก็จะไม่มีหนี้ใหม่ตามมาเดีย๋ยวมีทางนั้นก็อยากจะถามสงใบไปอ่อ ไม่เป็นไรให้เสียงดังๆเจ้คนอื่นจะได้ยินชัดๆน ะ, ะคนอื่นเททางบ้านเขาจะได้ยินด้วยปฏิมีพี่ถามมาว่าถ้าเรื่องของการกรวดน้ำค่ ะ, คะพอเราทําบุญแล้วเราสามารถกลับไปกวดน้ําที่บ้านได้ไหมแล้วทําไมปัจจัยถึงเราต้องกรวดน้ําแล้วลดที่ต้นน้ำน้ำไม่ต้องใช้หรอกน้ํานี่มันไม่ใช่บุญบุญคือความสุขใจที่เราได้จากการทําบุญเราไม่ต้องใช้น้ํากรวดใช้ใช้จิตอธิษฐานไป อ้อทิศส่วนบุญคือความสุขใจที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในตอนนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่รีบทําเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปทะเลาะ ก, กับใครความสุขใจมันจะหายไปรีบทำพอทําเสร็จ ม, มีความสุขใจตอนนั้นก็อุทิศไปเลยไม่ต้องมีนะไม่ต้องรอให้พราะมาสวดยะถาสัพพีไม่เกี่ยวกันน้ํานี่เป็นเพียงตัวอย่างของบุญสมมุติว่าน้ํานี้เป็นบุญเราเทน้ําลงไปก็น้ําก็จะไหลไปสู่ผู้รับอย่างนี้ คามจรงคือกระแสจิตที่มีความสุขนี่เราส่งไปให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้เพราะเวลาทําบุญใส่ก็อุทิศไปเลยไม่ต้องหานะ้ำไม่ต้องรอให้พระให้พรไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะอา่ะอาอีกข้อนึงอา่าครับอคือเรากรมดีเราก็ทํากรรมที่ไม่ดีเราก็เคยทํามาถ้าเรา ถ้าเราตายไปแล้วรครับหลวงพอ่อคือเราจะไปชดชายทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีหรอครับมันก็แย่งกันไงเวลาตายไปบุญกับบาปมันจะมาแย่งกันเหมือนเหมือนวัวสองตัวที่ลา ก, กวีดเนี่ย <c oughs> วัวตัวหนึ่งลากไปทางทิศเหนือวัวตัวนึงจะลากไปทางทิศใต้ครับ <c oughs> ตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะลากไปทางทิศนั้นถ้าถ้าบาปมากกว่าก็ <c oughs> ไปอบายก่อนครับ <c oughs> ถ้าบุญมากกว่าก็ไปสวรรค์ก่อนแต่บุญก็ไม่หายบาปก็ไม่หาย คือพอบุญกับบาปเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบาปมากกว่าก็ไปอาบายก่อนไปจนกว่าบาปกับบุญจะเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อ๋อก็คือต้องชใช้ทั้งสองอย่างใช่ครับต้องใช้กันเพียงแต่ว่าช้าก็ช้าก่อนหรือหลังได้ครับเห็นตอนนี้รีบทำบุญให้มันมากกว่าบาปก็แล้วกัน มันกับบัญชีเงินเวลาบริษัทจะปิดบัญชีนี่ขอให้มันได้มีได้รับมากกว่ารายจ่ายก็แล้วกันมันก็จะไม่ขาดทุนครับแต่ว่าสมมติว่าถ้ารายรายรับมากกว่ารายจ่ายก็คือเราก็ได้รายรับไปก่อนสุดท้ายรายจ่ายเราก็ต้องมามามาชดใช้ก็มาชดใช้อยู่ <c oughs> ยดีดดถ้าเกิดรายรับเราต่ำกว่ารายจ่ายเมื่อไหร่เราก็ต้องไปไปไปใช้ใช้หนี้ครับผมบไปก็ พอใจไหมพอใจครับเรียบอยล้นะขอบผมหายสงสยนะัยห้วนเอาแค่นี้ก่อนนะพอแล้วสี่โมงละเย็นละ่ะเดี๋ยวก่อนอนะันนี้เดี๋ยวทีหลังเอาเอาแค่นี้ก่อนนะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ